ความหมายพื้นฐานของวินัยมีสองอย่างคือข้อกอการฝึกให้มีความประพฤติและความเป็นอยู่เป็นระเบียบแบบแผนหรือการบังคับควบกลุ่มตนให้อยู่ในระเบียบแบบแผนรวมทั้งการใช้ระเบียบแบบแผนต่างเป็นเครื่องจัดระเบียบความประพฤติความเป็นอยู่ของคนและกิจการของหมู่ชนก็ขอระเบียบแบบแผน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 ให้ประพฤติให้ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนและใช้ระเบียบแบบแผนเป็นเครื่องจัดระเบียบความประพฤติความเป็นอยู่ของคนและกิจการของหมู่ชนนี่คือการปกครองความหมายแฝงของวินัยข้อ3การบัญญัติจัดตั้งวางตาราระเบียบแบบแผนกฎเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆที่จะใช้เป็นหลักหรือเป็นมาตรฐาน สำหรับใช้ฝึกหรือบังคับควบคุมคนดังที่กล่าวมานั้นนี่คือนิติปัญญาบรรความหมายแฝงของวินัยข้อ4ตัวระเบียบแบบแผนกฎเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆที่วางไว้เป็นหลักหรือเป็นมาตรฐานสำหรับใช้ฝึกหรือบังคับควบคุมคนนี่คือนิติบัญญัติความหมายแฝงของวินัยข้อห การวินิจฉัยตัดสินกรณีพิพาทอัดทกคดีให้ยุติตามระเบียบแบบแผนกฎเกณฑ์ต่างๆที่วางเป็นหลักไว้นั้นเพื่อคงความถูกต้องเป็นธรรมและความเรียบร้อยสงบสุขนี่คือวินิจฉัยกรไทยว่าตุลาการในแง่วิวัฒนาการของสังคมมองตามพุทธมติว่า สถาบันตามความหมายข้างบนนี้เกิดมีขึ้นตามความจําเป็นให้ต้องการของสังคมมนุษย์คือเมื่อคนมาอยู่รวมกันมากขึ้นและต่างก็สแสวงหาปัจจัยสีและวัตถุเสรเกิดการทะเลวิวาทขัดแย้งแย่งชิงกันทําให้ต้องมีผู้ระ ง, งับกรณีพิพาทมีการปกครองขึ้นผู้ปกครองจะให้ผู้ใต้ปกครองอยู่กันด้วยดีก็ต้องมีกฎเกณฑ์กติกา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 โดยมาพร้อมด้วยการใช้อำนาจตัดสินกรณีพิพาทและการวางข้อกำหนดกฎกติกาที่เป็นเครื่องยุติในการปกครองรวมทั้งการตัดสินวินิจฉัยอัตกดีนั้นแต่บนฐานของความต้องการโดยจำเป็นของสังคมนั้นวินัยเครื่องชี้นาของการปกครองอย่างที่ว่านี้มุ่งหมายเพียงแค่ให้คนอยู่ร่วมกันได้เรียบร้อยดีไม่เบียดเบียนกันนักประพฤติดี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 ข้อฝึกข้อปฏิบัติตลอดจนกระบวนการที่นิยมเรียกว่ายุติธรรมทั้งหมดก็พรั่งพร้อมเข้ามาเป็นเครื่องมือของการศึกษานั้นโดยนัยนี้วินัยจึงมีความหมายเป็นการศึกษาหรือระบบการจัดการมนุษย์โดยมีการศึกษาเป็นหลักเป็นแกนแวดล้อมด้วยวินัยแห่งการปกครองแห่งวินัยบัญญัติและแห่งวินัยวินิจฉัย ที่ได้กล่าวแล้วเฉพาะอย่างยิ่งให้เป็นการปกครองโดยไม่ต้องใช้อาจยาและข้อบัญญัติทั้งหลายมิใช่เป็นข้อบังคับแต่เป็นสิขาบทคือข้อฝึกข้อศึกษาเมื่อได้ทาความเข้าใจในหลักทั่วไปดังนี้แล้ว <c oughs> ก็ขอย้อนมาพูดถึงความหมายของคำว่ามิไนเป็นการสำทับความอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ขอกล่าวถึงความหมายโดยประยัญชนะ คำว่าวินัยมีความหมายตามรูปศัพที่แปลกันสืบมาว่าการนำไปให้วิเศษแปลเป็นไทยให้สมสมัยก็คือการชี้นำอย่างวิเศษและการจัดการให้ดีนั่นเองโดยเฉพาะ 1. จัดการบุคคลให้เจริญดีงามเป็นคนที่สมบูรณ์หมดทุกข์หมดปัญหา 2. จัดการสังคม คือคนที่มารวมกันอยู่ให้สงบสุขเรียบร้อยมั่นคง 3. จัดการเรื่องราวให้เรียบร้อยเสร็จสิ้นไปด้วยดีวินัยนี้ในรูปคุณศัพท์ที่เป็นวินีตะหรือวินิตะเป็นคำกิริยาช่องสามมีใช้บ่อยโดยมากใช้กับบุคคลหรือหมู่ชนแปลว่าอันนำไปให้วิเศษแล้วหมายความว่า ฝึกดีมีการศึกษาแล้วนั่นเองถ้าเป็นเรื่องราวอย่างในคำว่าวินีตวัตถุก็คือเป็นเรื่องราวหรือกรณีที่ได้ดำเนินการตัดสินวินิัยให้เรียบร้อยเสร็จสิ้นไปด้วยดีแล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่าพระองค์จะยังไม่ปรินิพานจนกว่าบรรดาสาวกทั้งสี่บริษัทจะเป็นผู้วินีตะคือมีการศึกษาดีแล้ว อัตถกาถาหลายแห่งก็อธิบายว่าวินัยได้แก่สิกขาสามหรือไตรสิกขาคือการศึกษาครบสามด้านพระพุทธพจน์ที่ได้กล่าวถึงนี้อยู่ในมหาปรินิพานสูตรที่คณิกายมหาวัฒ์มีปรากฏในพระบาลีว่าน้าตาวหังปาปิมะปรินิพายิตสามิ ยาวเมพิขูณสาวกาภวิสันติวิยัตาวินีตาวิสารธาพหุสุตาธรรมธาธรรมานุธรรมปฏิปันนาแปลว่าแน่มานเจ้าบาปเราจะยังไม่ป ร, รินิพานตราบใดที่พิสุสาวกทั้งหลายของเรายังไม่เป็นผู้เฉียบแหลมยังไม่ได้ศึกษาดีไม่เป็นพระหูสูตร ไม่แกล้งกล้าไม่ทรงธรรมยังไม่ปฏิบัติธรรมถูกหลักอัรธกถาหลายแห่งอธิบายว่าชื่อว่าธรรมโดยความหมายว่าเป็นสภาวะชื่อว่าวินัยโดยความหมายว่าอันพึงศึกษาคัมภีร์แห่งหนึ่งว่าวินโยสิกขตยังวินัยคือไตรสิกขาอีกแห่งหนึ่งว่าที่ไม่เป็นวินิตะ คือไม่ได้ศึกษาด้วยอาธิสีลสิกขาเป็นต้น